เรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวค่ะเป็นเรื่องเล่าจากเว็บไซต์พันทิปนะคะที่มีสมาชิกมาตั้งกระทู้ค่ะน่ากลัวเป็นเรื่องเล่าของปู่มีค่ะวิญญาณเฮี้ยนปีนปล่องเมนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาฟังกันดูก็แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วผมอายุประมาณ10กว่าปีแต่ก็จะจำความอะไรได้บ้างแล้วผมอาศัยอยู่กับยายที่โคราชเพราะว่าพ่อและแม่เนี่ยนามาฝากไว้ ทั้งสองท่านเข้ามาทำงานในกรุงเทพยายเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญตัวผมเองเวลาว่างหรือวันหยุดก็ไม่ได้เรียนหนังสือผมมักจะตามยายเข้าไปช่วยงานหรือเข้าไปเล่นอยู่ในวัดบ่อยๆสาหรับปู่มีเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสั ป, ปเล อ, อยู่ที่วัดนี้มานานมากแล้วก็ในวัดนี้เนี่ยจะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อหลวงตาสีท่านเป็นพระพี่ชายของปูม่มีแล้วก็เป็นพระลูกวัดอยู่ที่นั่น แต่ว่าพระเนนคนวัดเด็กวัดตลอดจนถึงเจ้า อ, อาวาสต่างก็เคารพหลวงตาสีเพราะว่าอ่แล้วก็ปู่มีทุกคนเพราะว่าทั้งสองท่านนี้อยู่วัดมานานแล้วแต่ว่ามีเรื่องแปลกเรื่องแรกที่น่าสงสัยก็คือผมเคยถามยายว่าหลวงตาสีทำไมถึงเป็นพี่ชายของปูม่มีทั้งๆ ท, ที่หลวงตาสีเองเนี่ยคือศีรษะของแกเนี่ยจะไม่มีหอกเลย คือยังยังดกดําแต่ว่าคิ้วขาวท่าทางยังหนุ่มยังแน่นซึ่งต่างกันกับปูม่มีผมสั้นขาวพโพลนคิ้วงอกหลังคอมนิดๆซึ่งอายุน่าจะประมาณ70ปีได้แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่สักเต็มตัวแต่มองไม่ออกว่าสักอะไรบ้างมองไกลๆเหมือนปานมากกว่าเพราะว่าหนังแกจะเหี่ยวยน่นทั้งหลวงตาแล้วก็ปู่มีนี่คือเคี้ยวหมากฟันนี่ดำปีเลยยายก็เลยตอบว่า กูก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหลวงตาเป็นพี่ชายปูม่มีกูก็เรียกปูมป่มีปู่มีคนอื่นๆก็เรียกแบบนี้ตอนกูเป็นเด็กหลวงตากับปูม่มีก็อยู่มาก่อนแล้วหน้าแกสองคนเนี้ยก็แบบนี้แหละด้วยความเป็นเด็กะนะคะก็เลยถามไปแล้วก็ลืมไปแต่เจ้าของกระทู้บอกว่าพอมาคิดตอนนี้ก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าตอนที่ยายผมพูดเนี่ยแกอายุ60กว่าแล้วถ้าบวกอายุย า, ยายทบเข้าไปอีก หลวงตาสีกับปู่มีก็น่าจะอายุเกินร้อยปีเป็นอย่างต่ำพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ซึ่งแปลว่าคนแก่นะคะบางคนก็ยกมือไหว้หลวงตากับปู่มีด้วยซ้าไปนะทั้งทางที่คนแก่พวกนั้นดูแก่กว่า2คนนี้มากไหว้หลวงตานี่มันไม่แปลกค่ะแต่ว่าไหว้ปู่เนี่ยทำให้สงสยัยและก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมต้องเอามาถามยายยายอาจจะโกหกก็ได้ แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะแกเข้าวัดอยู่ประจําทุกวันพระก็นุ่งขาวห่มขาวตลอดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดผมตามยายเข้าไปเล่นในวัดเหมือนที่เคยเล่นเหมือนทุกๆวันนี่แหละก็มีวัดที่วัดมันก็คือมีงานนะคะเป็นงานวัดผู้ใหญ่ต่างก็มาช่วยกันเยอะที่ศาลาหอฉันส่วนผมก็ไปเล่นหลังวัดกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดชื่อไอ้โทนวันนั้นเล่นปีนต้นไม้กัน แถวๆนั้นมันมีกองไม้อยู่เป็นไม้ของวัดอยู่จำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่อนซุงต่างๆปู่มีเองก็พาคนหนุ่มๆ ม, มาช่วยกันขนไม้กองนั้นไปที่หนองน้ำของวัดเพื่อที่จะทำการต่อแพรทำศาลาท่าน้ำผมกับเอทโทนก็ปีนเล่นบนต้นตะขบอยู่จนประมาณเกือบเที่ยงคนหนุ่มๆที่มาช่วยก็กลับไปศาลาหอฉันเพื่อกินข้าวแต่ยังเหลือไม้ที่จะขนอยู่อีกเยอะแยะมากมายผมเห็นปู่มีแกรอจนคนไปหมดแล้ว แกก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนแต่ว่าแกก็คงไม่เห็นผมกับไอ้โทนที่อยู่บนต้นไม้หรอกเนาะจากนั้นแกก็จัดกันแบกท่อนรุงขนาดเสาสาลาสองเสาใส่บ่าซ้ายขวาไปที่ท่าน้ำแบบสบายๆเนี่ยเรื่องนี้ทำเอาผมตกใจมากเพราะว่าเสาที่ว่าเนี่ยผมเห็นคนหนุ่มๆช่วยกันแบกถึง45ห้าคนต่อหนึ่งเสาแกแบกอยู่สองเที่ยวรวม4ี่เสาด้วยกันก็หยุดพัก ทั้งๆ ท, ที่สภาพปกติของแกคือไม่น่าจะยกไม้อยู่คาสักท่อนขอสักท่อนสองท่อนเนี่ยขึ้นได้ด้วยซ้ําแต่ว่าไอ้โทนเนี่ยมันเฉยๆมันไม่ได้ตกใจผมคิดว่ามันก็คงเห็นปู่มีเนี่ยทําแบบนี้มาบ้างแล้วละมั้งนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกๆในฐานะคนแก่ของปูม่มีเรื่องแปลกในฐานะสับเ ป, ปรเรือของแกก็ยังมีอยู่เหมือนกันที่นี้เป็นเรื่องของการเผาศพกันบ้างมาเข้าเรื่องกันเลย หลังจากเรื่องแปลกๆของปูม่มีเรื่องแปลกของห ล, ลวงตาสีทีนี้เป็นเรื่องที่เราจะเล่าแล้วนะคะมาเข้าเรื่องกันจะเป็นเรื่องที่จำได้สำหรับวัดที่ผมไปกับยายบ่อยๆนั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นวัดที่ออกจะห่างชุมชนอยู่สักหน่อยหนึ่งหลังวัดจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ตามที่ได้เล่าไว้ข้างต้นนะคะซึ่งหนองน้ำนี้เนี่เอาไว้ทากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าของวัด แล้วก็เลยหนองน้ำนี้ไปอีกสักหน่อยจะเป็นป่าช้าที่ใช้ฝังศพของรุ่นก่อนๆแต่ก็ไม่ค่อยมีศพมาฝังเท่าไหร่นักเพราะว่าพื้นที่เนี้ยเต็มศพเดิมๆที่มีอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษก็เยอะพอสมควรถ้ามองผ่านๆเหมือนว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลังวัดธรรมดาค่ะแต่ก็มีร่องรอยอารยธรรมของหลุมศพอยู่บ้างหลังป่าชานี้ก็จะมีรั้ววัดล้อมรอบทุกด้านแต่ว่ารั้วสภาพพังแล้วเกือบ 80% เอร์เซต บางช่วงก็ขาดหายไปนะคะแต่ก็พอมองออกว่าเป็นเขตวัดค่ะปู่มีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าท้ายวัดนั่นแหละเป็นกุฏิไม้เก่าๆเดิมทีกุฏินั้ น, นเป็นของหลวงตาสีอาศัยอยู่กับปู่มี2พี่น้องพอนานวันเข้าจเจ้าอาวาสก็มาขอร้องบอกว่าให้หลวงตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในกุฏิเขตสงฆ์ใจกลางวัดเพราะว่าจะได้ช่วยกันอบรมพระเนน ที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าหลวงตาท่านค่อนข้างดุแล้วก็เข้มงวดเหมือนกับว่าใครคิดอะไรทําอะไรคือท่านรู้ล่วงหน้าเดาทางจับทางได้ทุกทีค่ะพระเนนใหม่ๆก็เลยพากันกลัวท่านเหมือนหนูกลัวแมวปู่มีก็เลยอยู่ที่กุฏิหลังนั้นคนเดียวไม่ห่างจากที่อาศัยของปู่มีมากนะักเป็นเตาเผาศพสภาพเก่าแล้วละ่ะ ค่อนข้างทุลักทุเลเต็มทนลักษณะเป็นเชิงตะกอนใครตายมาสวด3วัน7วันก็มาเผ า, าที่เตานี้ไม่นานนะก็มีการสร้างเมนใหม่ขึ้นค่ะมาเป็นการแทนการเผาด้วยเชิงตะกอนอันเดิมยายเล่า ว, ว่ามีคนมาช่วยทอดผ้าป่ามีเงินโขเลยทางวัดนี่ไม่มีคนดูแลเรื่องเงินก็เลยต้องรีบ รีบสร้างรีบพัฒนาให้เงินมันหมดหมดไปเนื่องจากว่าพระในวัดเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดเรื่องเงินทองนะคะแล้วก็ไม่มีใครสะสมแม้แต่รูปเดียวต่างจากพระสมัยนี้อยู่พอสมควรเนาะที่มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างมูลเหตุความสยองวันนั้นที่ผมเห็นกับตามันก็มาจากเรื่องสร้างเมนใหม่นี่แหละครับไม่รู้เงินเหลือหรืออย่างไรเมนที่สร้างก็ออกมาสวยหรูพอสมควรเป็นเตาคู่2เตา ปากปล่องที่สูอาที่ปล่อยควันจากเมนเผาศพนี่สูงประมาณ 5-6 ชั้นเห็นจะได้ความรู้สึกในวัยเด็กของผมตอนนั้นผมว่าปล่องสูงมากพอสร้างเสร็จทาสีไม่ทันแห Democrat, ้งดีก็มีคนตายมาประเดิมใช้คนตายคนแรกนี่ชื่อว่าพี่ไม้วัยรุ่นในหมู่บ้านคะ่ะอายุประมาณ20ปีแต่ว่าพี่ไม้นี่ใ น, ในใสิสัยแกจะออกนักเลงพอสมควรนะเห็นว่าเข้าไปทาธุระในเมืองแล้วไปมี hani, เรื่องหนีเข้ามา เขาขับรถไล่ชนจนตายเท่าที่จําได้นะพอเสียชีวิตญาติๆก็เลยนํามาวัดสัก4ี่โมงเย็นวันนั้นเนี่ยโรงเรียนเลิกแล้วก็มาหายายที่วัดตามปกติคือยายก็จะอยู่กับคนเท่าคนแก่ที่มาช่วยงานที่วัดทั้งวันก็ปู่มีนั่นแหละที่มาทําศพเป็นครั้งแรกที่ได้ดูเขาทําศพด้วยสภาพศพนี่คือยับเยินมากแต่ว่าไม่อุดจัดเท่าไหร่นักปู่มีแกก็จัดการว่าดคาถาอะไรของแกไปตามเรื่องตามราวของสัปะเลอเนาะ ที่นี้มาถึงขั้นตอนการมัดราสังพี่ไม้นะคะพี่ไม้นี่คือคนตายปู่จะมัดห่วงไปที่คอที่มือและที่เท้าตามลําดับพอมัดถึงที่เท้าศพปรากฏว่าห่วงที่มือเนี่ยขาดค่ะย้อนกลับไปมัดที่มือที่คอก็ขาดมัดที่คอที่เท้าก็ขาดอาจจะเป็นเพราะว่าปู่แกมัดตึงเกินไปหรือเปล่าถ้าหากว่าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก็เป็นแบบนี้ประมาณ 4- ีห้ารอบได้เปลี่ยนได้มัดเป็นม้วน จนปู่แกชักโมโหแกก็เลยตวาดศพ บ, บอกว่าไอ้นุม่มถ้าไม่อยู่นิ่เองกูจะพันทั้งตัวไปโยนน้ําหลังวัดให้ปลากินนะเท่านั้นแหละศพพี่ไม้เนี่ยเด้งขึ้นมาทําท่าเหมือนจะนั่งปู่ก็ตอบโต้ทันควันด้วยการเอาผ้าขาวที่พ้าบ่าเนี่ยฟาดไปที่หน้าศพศพที่ว่าเด้งขึ้นมานิดนึงก็เลยกลับลงไปแบบลูกแบดมินตันเนี่ยน ะ, ะที่กระทบไม้เสียงดังปั้งเลยทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็คือใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก หลังจากนั้นค่ะปู่แกก็มัดตราสังเสร็จเรียบร้อยก็ให้ผู้ชายนี่ช่วยกันยกลงศพนะคะศพพี่ไม้ที่ที่ที่ไม่ยอมลงลงเนาะท่อนแขนบริเวณข้อศอกคือมันอ้าออกไงมันก็เลยเกิดอาการทําให้ศพเนี่ยไม่ยอมยัดลงโรงนะคะก็คือมันยัดลงไม่ได้ปู่แกก็จับหักแขนเลยค่ะทั้งสองข้างเสียงดังเปาะเลยดังสนั่นทั้งศาลาพร้อมกับพูดว่าว่าง่ายๆสิ หน้าตาแกไม่ยิ้มแย้มใจดีเหมือนปกตินะแต่ว่าแกแสดงออกไปในทางหุดหิดพอสมควรพ่อพี่ไม้ก็สังเกตเห็นจึงยกมือไหว้ปู่แล้วบอกปู่สงสารลูกหลานอย่าทํามันแรงนะักกิติศัพท์ความซนของพี่ไม้ก็นับว่าเอาเรื่องอยู่นะระหว่างเจวันที่สวดศพเนี่ยข่าวแว่วว่าแกนี่ไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปหลอกไปแกล้งคนอื่นเพราะว่านิสัยชอบแกล้งถึงเนื้อถึงตัวเลยแหละคนที่โดนหนักสุดเห็นจะเป็นพ่อของพี่ไม้เอง แกเล่าว่าปกติแกกลับบ้านดึกๆพี่ไม้จะชอบมาแอบที่รั้วต้นไม้หน้าประตูบ้านแล้วโผล่พุ่งออกมาจ้าเอ๋แกตามต่างจังหวัดรั้วมันจะเป็นพุ่มไม้นี่ะเป็นหรือว่าเป็นไม้ไผ่ขั้นไว้วันที่3พี่ไม้อ่าวันที่พี่ไม้แกตาย3วันผ่านไป3วันพ่อแกกลับบ้านดึกแกก็กลัวลูกชายแกมาโผล่เหมือนเคยค่ะแกะก็เลยกงเสียงสุนมาจนหน้าตึงแกจูงรถจักรยานพอเข้าเขตรั้วประตูบ้านหลับตาปีเลยกลัวลูกชาย แต่ไม่เจอค่ะพอแกหันหลังไปจะปิดรัวบ้านพี่ไม้กระโดดจากพุ่มไม้มาบอกแฮะอย่างนี้เลยนะคะใส่แกสภาพเหมือนวันที่เอาลงงเลยแขนหักร่องแร่งสองข้างหน้าตาเนี่ยยับเยินพ่อพี่ไม้แกว่าฉันถึงกับนอนสลบอยู่หน้าบ้านเลยจนเช้าเลยแหละแต่ว่าจุดคล i m แม็กของเรื่องนี้มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็คือวันเผานั่นแหละ วันนั้นเผาประมาณ5โมงเย็นเห็นจะได้ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเผาเชิงตะกอนชาวบ้านจะมาช่วยกันเกือบทั้งหมู่บ้านแต่ว่าคราวนี้พี่ไม้เนี่ยเป็นศพแรกที่มาเผาเมนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จความที่พี่แกไปหลอกไปหลอนคนไว้เยอะไงคนก็เลยไม่มีใครกล้ามาช่วยงานแกไงจะมีก็เพียงแค่ญาติสนิทและก็คนใกล้ชิดนะคะหรือว่าคนในวัดรุมรวมกันก็20กว่าคนเท่านั้นเองเท่าที่จาได้ก็คืออ่า คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยบอกว่าผมก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมงานด้วยเนื่องจากว่ยายาอยู่ที่นั่นเมื่อถึงเวลาเผาก็จะยกศพลงจากศาลาไปเมนเผาศพนะญาติญาติก็ช่วยกันยกคือยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นจาก4ี่คนยกเพิ่มขึ้นจนสิบกว่าคนยกยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นปู่มีแกก็เลยบอกว่าถึงเวลาต้องไปแล้วอย่าห่วงอะไรนะักใครๆก็ถึงเวลาก็ต้องไปกันทั้งนั้นแต่ก็ยังยกไม่ขึ้นอยู่ดี ผูแกก็เลยถีบลงมานะคะถีบถีบลงเนี่ยจากที่ตั้งศพเนี่ยดังโครมเลยประมาณ2เมตรกว่าจากพื้นเป็นลงไม้อัดตอนแรกแกก็ทำท่าจะถีบก็คิดว่าเออลงต้องแตกแง่แงแล้วแกก็ถีบลงมาแปลกฮะลงไม่ยากก็แตกที่แปลกกว่านั้นคือไม่มีเสียงลงกระทบพื้นเลยเหมือนโยนโทรศัพท์ลงบนพ่อหม่มอะไรอย่างนี้แหละนะคะทีนี้เมื่อเอาลงลงได้แล้วก็จัดการยกวนรอบเมน ขึ้นเตาเผาแล้วก็เริ่มประมาณ6โมงนะี่คือเริ่มเผาแล้วฟ้าสีแดง ส, มสม้มๆไฟสลัวสลัวอุ้ยบรรยากาศได้ได้มากคือได้ฟีลลิ่งความสแ a รีมากเล ย, มมเลยน่ากลัวนะคะพี่ไม้ก็ถูกยกขึ้นเตาเผาแล้วก็เริ่มเผาค่ะทุกคนลงมารออยู่ข้างล่างควันก็เริ่มพวยพุ่งออกจากปากปล่องไม่นานนักเสียงหวยหวนก็ดังไปทั่วบริเวณบอกไม่ไปไม่ไปเสียงพี่ไม้นั่นแหละค่ะ ดังมาจากเตาเผาทุกคนนี่อกสันขวัญหายถอยกระด จ, จากเมนยกเว้นปู่ที่ยังอยู่ข้างบนสักพักแกวิ่งลงมาจากเมนมองขึ้นไปที่ยอดปล่องควันทุกคนก็มองตามคือนึกสภาพตามนะคุณผู้ฟังฟ้าสีแดงส้มๆปล่องควันสีขาวสูงขึ้นไปตัดกับสีท้องฟ้ามีกิ่งไม้ยืนต้นอยู่บ้างเป็นก้านำดำๆแต่ว่ามองเห็นปล่องไฟพอสมควรนะ ควันพวยพุ่งออกมาภาพที่เห็นเพิ่มคือมีเงาดำพยายามปีนออกมาเป็นรูปร่างคนดำๆค่ะปีนกลับหัวลงมาจากปากปล่องไฟร่างนั้นออกลงมาปีนปีนจากไอตัวปล่องไฟนี่ลงมาได้เกือบครึ่งตัวพร้อมกับเสียงร้องบอกไม่ไย <My boy! S 1> สลับกันไปมาใช่แล้วค่ะไม่ต้องเดาพี่ไม้นั่นแหละแกพยายามปีนหนีออกมาจากปล่องควัน ทุกคนเนียคะก็กลัวกันลนลานถึงจะกลัวแค่ไหนทุกคนก็เหมือนถูกสะกดให้มองเงานั้นเงานั้นก็ตะเกียจตะกายพยายามจะออกมาให้ได้พร้อมเสียงร้องที่โหยหวนเย็นไปถึงขั้วหัวใจบางครั้งนะเหมือนจะหลุดออกมาได้นะปู่แกก็ตะโกนว่าไม่ได้การละแก่ก็เลยวิ่งไปถอนหญ้ามาแล้วก็มัดเป็นท่อนๆเป็นแขนเป็นขา คือดูไกลๆคล้ า, ายกับหุ่นคนนะะีคะแกท่องอะไรงืมงงามเงืงสักพักหนึ่งแล้วแกก็วิ่งขึ้นไปบนเมนเปิดเตาเผาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานโยนไอ้เจ้าสิงนั้นเข้าไปปิดเตาแล้ววิ่งกลับลงมาดูทุกคนจ้องไปที่เงาดํานั้นพ่อกับแม่พี่ไม้ก็เริ่มร้องไห้แล้ะคือทุกคนสับสนไปหมดสักพักหนึ่งเหมือนมีเงาอีกเงาหนึ่งเพิ่มที่ปล่องควันทุกคนตกใจมากเลยนะแต่ว่าเงาพี่ไม้ปลิีนออกมาอ่าที่ปีนออกมานี่คือกลัวจะแย่ค่ะเนี่ยมีมาเพิ่มอีกตัวนึง แต่ก่อนที่จะคิดอะไรเกินไปกว่า น, นั้นทุกคนก็เห็นว่าเงานั้นเหมือนพยายามลากพี่ไม้เข้าไปในปล่องนะคะก็คว้ากันอยู่นานเลยสุดท้ายก็ดึงเงาพี่ไม้เข้าไปได้พร้อมกับเสียงสุดท้ายพี่ไม้ดังบอกว่าฉันกลัวเสียงนั้นก็เงียบหายไปเหลือเพียงแค่กลุ่มควันที่พุ่งขึ้นฟ้าปู่มีบอกให้ทุกคนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทาบุญให้พี่ไม้ ทุกคนก็เลยรีบกลับไปจากวัดนะคะออกไปเป็นกลุ่มๆเลยะคะ่ะไม่มีใครแยกกันเลยอันนี้เจ้าของเรื่องที่ตั้งกระทู้บอกผมสาบานเลยว่านี่คือเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นที่มันเป็นภาพติดตามผมมาจนทุกวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณด้วยนะคะกับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้คุณผู้ฟังคิดภาพตามแบบมีเงาดาเป็นผีเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือปีนออกมาจากปล่องเมน้ยพูดแล้วขนลุก เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในสมัยนั้นนะคะเจ้าของเรื่องนี้ยังเรียนอยู่ที่ชั้นประถมเลยเกิดที่ทุ่งนาค่ะเป็นทุ่งนาของพ่อได้เลี้ยงเป็ดและก็ไก่เอาไว้โดยสร้างเล้าไว้บนบ่อปลาแล้วก็ในทุกๆตอนเย็นนะคะคุณพ่อแล้วก็เจ้าของเรื่องแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะเดินทางออกไปเพื่อที่จะให้อาหารเป็ด ถ้าวันไหนไปถึง่้ำเกินไปพ่อก็จะให้เจ้าของเรื่องแล้วก็น้องเนี่ยรออยู่ที่เถียงนาเพราะว่ากลัวเรื่องจะมีสัตว์มีพิษต่างๆคือออกหากินตอนกลางคืนนะคะโดยเถียงนาของ เรื่องที่เกิดเหตุเนี่ยมันมี2ชั้นใหญ่เท่าบ้านเลยนะเดิมทีมี1 ห, ห้องนอนนะคะแต่ว่าได้ทําฝากั้นเพิ่มอีก1 ห, ห้องก็คือ1ข้างทําให้สามารถนอนได้ทั้งข้างในและข้างนอกที่ไม่จุดฝากั้นนะคะส่วนด้านอื่นก็ใช้ไม้ตอกแบบระเบียงบ้านล้อมรอบค่ะส่วนเรื่องที่มาเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในตอนเย็นบันหนึ่งในช่วงสัปดาห์นั้นเนี่ยเป็ดที่พ่อเลี้ยงเอาไว้ที่ทุ่งนาหายไปทีละสีตัว5้าตัว ในตอนเย็นวันนั้นพ่อก็เลยออกจากบ้านซึ่งห่างประมาณ2กิโลเมตรก็กะเอาไว้ว่าเออช่วงโพเพนี่แหละจะออกไปเผื่อจะเจอกับหัวขโมยแล้วก็ในตอนนั้นด้วยความที่เจ้าของเรื่องกับน้องนี่คือเป็นคนที่ติดพ่อมากจะขอตามพ่อไปด้วยท้องฟ้าสีแดงฉานเลยคือทุกอย่างเริ่มมืดแล้วนะคะพ่อก็เลยได้ให้เจ้าของเรื่องกับน้องเนี่ยรอกันที่ถียงนาก่อนเหมือนอย่างเคยและพ่อก็เดินไปให้อาหารเป็ดกับไก่ที่คอก ห่างออกไปประมาณ300เมตรค่ะตอนนั้นมองเห็นแค่เงาตะคุ่มตะคุ่มของพ่อที่เดินออกไปพร้อมกับเสียงรองเท้าแตะแล้วก็ในตอนนั้นเองเจ้าของเรื่องจุดตะเกียงขึ้นที่ทําจากกระป๋องเหล็กใส่น้ํามันก็ต้องการแสงสว่างและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องจะได้ไม่ต้องกลัวไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนนิดเดินเข้ามาที่เถียงนาค่ะที่แปลกก็คือได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเบาผิดปกติมันเหมือนเสียงคนเดินนะ คนที่เดินแบบไม่ใส่รองเท้าอ่ะคือเสียงเดินนั่นนี่มันมาหยุดอยู่ที่ทางขึ้นบันไดน้องก็เลยตะโกนไปบอกพ่อมาแล้วแล้วเจ้าของเรื่องก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นบอกวูเสียงมันหลอนค่ะหลอนเข้ามาในจิตของเจ้าของเรื่องก็เลยรีบตะโกนเสียงดังเพื่อทำลายความตึงเครียดบอกพ่ออย่ามาทาผีหลอกกันนะไม่มีเสียงตอบรับค่ะ มีแค่เสียงคนกำลังเหยียบขั้นบันไดขึ้นมาดังเอียอเอ๊ยดอาดเอี๊ยดอาดในใจก็คิดว่าคงเป็นพ่อนั่นแหละสักพักหนึ่งร่างร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาทางขอบไม้ที่เหมือนระเบียงบ้านค่ะแต่เห็นแค่ผมของมันหัวใจนี่ก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วชาไปทั้งตัวด้วยความกลัวเพราะว่าผมอันหยิกหยอยรุงรังแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทรงผมของพ่อที่เป็นครูอย่างแน่นอน ร่างๆนั้นค่อยๆใช้มือสองข้างจับไม้แล้วค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาแสงของตะเกียงน้ำมันนิสสัดไปกระทบกับใบหน้าของมันอย่างจังค่ะปรากฏว่าเป็นใบหน้าที่ดําสนิทมองเห็นแค่ลู ก, กตาค่ะที่มันจ้องมองมาทางตัวเจ้าของเรื่องกับน้องจนตาแทบถลนออกนอกเบ้าและฟันของมันพร้อมรอ ย, ยิ้มบนใบหน้าที่น่ากลัวมันแลบออกมาเลียปากหลายครั้ง เจ้าของเรื่องหมกผมกลัวจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่กอด น, น้องไวแน่แนๆ น, น้องผมถึงกับร้องไห้ออกมาเลยผมร้องตะโกนเรียกพ่อสุดเสียงร่างของมันชะงักไปก่อนจะค่อยๆหดหัวผุบลงไปผมได้ยินเสียงรองเท้าแตะของพ่อนี่วิ่งมาไม่นานพ่อก็มาถึงแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมกับน้องได้แต่ร้องไห้จนกลับมาถึงบ้านถึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟัง พ่อบอกว่าตอนที่พ่อรีบวิ่งกลับมานี่เห็นร่างดำๆของคนนักกระโดดลงจากเถียงนาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไปในวันรุ่งขึ้นค่ะพ่อก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังก็ได้ความว่าอาจจะเป็นพวกที่เล่นของจนของเข้าตัวกลายเป็นบ้าหรืออาจจะเป็นพวกผีปอบที่ออกหาขโมยสัตว์เลี้ยงกินตามท้องทุ่งก็ได้พอเจอเด็กๆก็เลยอยากจะกินเด็กไง ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เป็ดไก่ที่เลี้ยงตามท้องทุ่งนานั้นเนี่ยหายไ ป, ไปบ่อยๆซึ่งมันอาจจะเป็นฝีมือของสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำคลิปนี้ค่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะอย่าลืมกดติดตาม c h anel n พระเจอผีแล้วก็เข้าไปกดถูกใจบน Facebook Fanpage พระเจอผีด้วยนะคะและสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผีจะมีจริงอยู่ในโลกนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามองเห็นเขาหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ